วันคืนล่วงไปเรากำลังทำตัวหน้าให้รักหรือหน้าให้ชังแค่ต่างฝ่ายต่างเต็มใจถามตัวเองสายใยดีๆก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นยามรักชีวิตมีคนรักเป็นส่วนหนึ่งยามชังชีวิตมีคนหน้าชังเป็นส่วนเกินสายใยผูกพันดีๆ ทำให้อยากมีกันและกันร่วมเดินทางร่วมกินร่วมอยู่ถ้าแยกห่างก็เหมือนชีวิตไม่ครบและที่จะมีสายใยผูกพันดีๆได้ต้องทำตัวน่ารักทั้งคู่เหมือนตบมือข้างเดียวไม่ดังโซ่ตรวนผูกมัดแน่นๆทําให้อยากหนีหายไปเ ก, กลีลไม่อยากพบไม่อยากมองไม่อยากแตะถ้าอยู่ใกล้ ก็เหมือนโดนน้าแหลมทิ่มต่ำและที่จะเกิดโซ่ตรวนผูกมัดแน่นๆนั้ น, น, นแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกเรหน้าชังก็พอเหมือนตบหน้าให้เจ็บด้วยมือข้างเดียวก็ได้อยู่ด้วยกันแค่ต่างฝ่ายต่างเต็มใจถามตัวเองว่าวันคืนล่วงไปเราทำตัวหน้าให้รักหรือหน้าให้ชังอยู่จุดเริ่มต้นของสายใยดีๆ ก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นแล้ว